ชันทะที่เป็นตันหาหมายถึงชันทะคือความอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากมีอยากมาลายชันทะอย่างที่สองกัตตุกรรมมยตาชันทะแปลว่าชันทะคือกัตตุกรรมมยตาหรือชันทะที่เป็นกัตตุกรรมมยตาหมายถึงชันทะคือความอยากทำใยจะทำใยสร้างสรร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 ตันหาคือความอยากความต้องการที่เป็นอกอุสนได้แก่อยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นอยากทําลาย 2. ฉันทะคือความอยากความต้องการที่เป็นกุศลได้แก่อยากทําในวงเล็บทําให้มันดีไฟฝึกไฟศึกษาไฟปฏิบัติไฟจัดทำ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 คนหนึ่งก็ชื่นชมมองว่าเจ้ากระรอกนี้น่าดูคล่องแคล่วมันกระโดดไปกระโดดมาดีนะเป็นภาพที่งามตาขอให้กระรอกเหล่านี้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทาหมู่ไม้ที่ร่มรื่นให้งดงามน่าเพลินใจช่วยวัดเป็นรมนียสถานนานเท่านานต่อไปเถิดอย่างนี้คืออยากเพื่อสภาวะที่เต็มสมบูรณ์ของสิ่งนั้นเองเรียกว่า